วันนี้ผมได้นัดหมูไปชุมในระหว่างวันพระ8ปดค่ำสิบห้าค่ำหนึ่งค่ำแปดค่ำในระหว่างกลางเพื่อทำความเข้าใจเพื่อทำการศึกษาวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่กันยาห้าสามเขา้าพรรษามาเดือนกว่าๆในหลัก ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้ท่านว่าอปริหานิยธรรมทรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเรียกอปริหานิยธรรมมีอยู่เจอย่างท่านพูดเป็นข้อขึ้นมาเลยว่างั้น เป็นข้อหนข้อสองสถึงข้อ7ข้อที่หนึ่งท่านบอกว่ามันไปชุมกันเนืองนิดคล้ายๆก็อยู่ด้วยกันมีอะไรก็หารือกันประชุมกันทําความเข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้มันไปชุมกันเนืองนิด 2. เมื่อประชุมพร้อมกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมกันเลิก และพร้อมกัทํารกิจที่สงจะพึ่งทาไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้สมาทานตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ภิกษูใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานสงเคารพนับถือเชื่อถือถ้อยคำของท่านไม่ลุกอำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น ยินดีในเสนาสนะป่าคือยินดีในความสงบตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรที่ไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วให้ขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขทำเจ็ดประการนี้อยู่ในชนกลุ่มใดบุคคลใดกลุ่มนั้นประเทศนั้น ชุมชนนั้นบุคคล น, นั้นมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าท่านนั้นก็พวกเรามาเอามาวิเคราะห์ดูเป็นข้อๆก็จริงที่พระพุทธองค์วางไว้มันไปชุมกันเรื่องนี้ถ้าคนต่างคนต่างอยู่ ต่างคนก็ต่างแสดงความคิดเห็นไปคนละทิศทางผลที่สุดก็ทะเลาะวิวาทกันได้ไง่ายๆยิ่งทะเลาะกันก็ยิ่งวิจารณ์ออกไปเรื่อยๆยิ่งไม่หันหน้าก็หากันไอ้ความเห็นอันตัวนั้นอะ่ะมันจะแย่งแตกแยกกันไปเรื่อยๆมันจะหาความมันจะหาที่สิ้นสุดไม่ได้แต่ถ้าว่าเราทุกคนมาปรึกษาปรัรบกันซะหันหน้าก็หากันมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาพูดในที่ประชุม ในเมื่อมันใกมาพูดในที่ประชุมก็จบในที่ประชุมเมื่อประชุมพร้อมกันประชุมเมื่อเลิกประชุมพร้อมกันเลิกไม่ใช่ว่าเมื่อเลิกประชุมกันแล้วก็มาซุบๆุบซิบซิบพูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นยังไงเป็นทางนี้วิจงวิจารณ์กันขึ้นมาก็ยิ่งแตกสมัคคีกันไปอีกแลทําไมไม่พูดในที่ประชุมมีความเห็นแล้วทาไมไม่พูดในที่ประชุมทำไมซุบซิบกันมาทําไมถ้าว่าประชุมกันแล้วก็ต้องเลิกประชุมพร้อมกันเลิก และก็พร้อมการทํากิจที่ตกลงไว้เมื่อตกลงกันไว้ยังไงก็ทําตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ไม่ใช่ว่าตกลงกันไว้แล้วพอเลิกประชุมกันแล้วก็แตกแยกซุบซิบกันไปอีกอันนั้นแบบใช้ไม่ได้อันนั้นแปลว่าประชุมกันเท่าไหร่ก็ยิ่งแตกประชุมกันเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่มีความพร้อมเพียงสมัคี่ยิ่งหาความสงบสุขไม่ได้ แล้วก็ไม่บัญญตัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้อันนี้เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะไปเก่งกวักพลูได้อย่างไรพระพุทธเจ้าวางศิกขาบทอย่างไรวางกฎกติกาไว้อย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นถ้าเราไม่ชอบใจเราก็ออกออกไปตั้งศาสดาสิเป็นตั้ง ขึ้นมาสิข้าพเจ้าไม่ชอบพพุทธศาสนาก็มีตั้งเยอะแยะไปแต่เมื่อเรามาอยู่ในวงการพุทธ<ม>เราเชื่อนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสวากขาตธรรมตรัสรู้ชอบแล้วเราจะไปบัญญัติแข่งขึ้นมาได้อย่างไรเราก็ต้องเชื่อฟังเราก็ต้องนับถือเราต้องปฏิบัติตามนี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อเรา ไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงมันจัดไว้สมธ า, านตามที่พระองค์ทรงมันจไว้แล้วก็ภิกษุใดเป็นปยักษ์เป็นผู้ใหญ่เป็นประธานเคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคาของท่านอันนี้เมื่อเป็นผู้ใหญ่ตาว่าไม่มีใครนับถือตีเสมอไม่มีผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่ให้ไม่ให้ความเคารพในประธาน การประชุมหรือว่าการเป็นอยู่นั้นก็หาความสงบร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่มีผู้น้อยไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีกฎกติกากฎเกณฑ์ในการประชุมหาหรือใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไปตามอาเภอใจใครจะทำอะไรก็ทำในที่ประชุมการประชุมนั้นจะหากฎเกณฑ์ได้อย่างไร พระพุทธเจ้าท่านวางไว้มันถูกนะอไม่รู้อํานาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นอคือเราอยากอันไหนก็ตามโลภตัวไหนก็ตามแต่ถ้าที่ประชุมบอกว่ามันไม่ถูกอยากจะพูดแต่ที่ประชุมบอกหยุดอย่าพูดเอาไว้ก่อนเอาเปิดให้พูดถ้าจะพูดเอาพูดเลยแต่ขณะที่พูดเอาพอแล้วท่านพูดวกวนแล้วอันนี้ก็ต้องฟังอีก ไม่ใช่ว่าพูดแบบน้ำลายฟูมปากแบบประสาพูดมันก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันยินดีในความสงบถ้าบอกคนเราไม่มองตนเองไม่ยินดีในความสงบมองแต่คนอื่นแบบร้ายไปหมดเป็นพิษภัยไปหมดไม่มองตนเองแล้วก็ไม่มองไม่คิดว่าตัวเองจะตายอีกต่างหาก คิดว่าเนี่ยค่าเนี่ยเป็นใหญ่คา่าในถูกต้องคนอื่นผิดหมดค่าเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ถ้าคิดอยู่อย่างนั้นนั่นละ่ะไปอยู่ที่ไหนขวางโลกเขาทั้งนั้นต้องคิดว่าค่าต้องทำดีที่สุดในขณะนี้ค่าเป็นผู้ใหญ่ค่าจะทำให้ดีที่สุดในฐานะที่ค่าเป็นผู้ใหญ่ในเมื่อค่าเป็นผู้น้อยแต่ก่อน เราก็ทําดีที่สุดในขณะที่เป็นผู้น้อยอยู่ในระดับไหนเราข้าพเจ้าจะทําดีในในขณะนั้นเมื่อข้าพเจ้าได้เป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าข้าพเจ้าก็จะทําดีที่สุดรักกฎเกณฑ์ให้มีกฎระเบียบในการเป็นอยู่ตามธรรมคำสอนของพระพุธทธเจ้าอันนี้คล้ายๆว่าให้ให้มองตนเองอยู่ในความสงบ จากนั้นก็เพื่อนพรกสุสามเณรทั้งหลายหรือคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมทั้งหลายไม่มาสู่อาวาตก็ให้มาเปิดเปิดเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของเราพระพุทธศาสนาเป็นของกลางเป็นของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นของกลางถ้าเราเป็นของเราคนเดียวเราตายแล้วกระจบเราได้ศึกษามาจากใครที่เราได้ศึกษาเราศึกษามาจากใคร เราก็ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกแต่นั้นเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็ควรจะขยายผลให้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษากับเราด้วยเจตนาดีด้วยความหวังดีมีน้ำใจมีเมตตามีการเสียสละต่อเพื่อนภิกษุสมณีต่อพุทธบริษัทสีของพระพุทธเจออ้าไม่มาขอให้มามาหวังดีมาด้วยความด้วยเจตนาดี ยินดีรับมาด้วยเจตนาดีถ้ามาเจตนาร้ายไม่รับมาไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนไม่รับแต่มาด้วยความหวังดีเจตนาดีจงรักภักดีมาเพื่อหวังศึกษาปฏิบัติเอาเข้ามาในเมื่อมาศึกษาแล้วเมื่อเขาออกไปก็ขอให้เขาอยู่เป็นสุขเป็นสุขปราถนาเออท่านออกไปแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขนะ อ่เมื่อออกไปจากเราแล้วไม่ได้คิดอะไรนี่แหละอันนี้ก็คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอปริหารนะี่จะทำทำเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเด้วยความเจริญโดยส่วนเดียวนะ่ะนี่แหละมันประชุมกันเรื่องนี้เป็นข้อแรกเพราะนั้นกลุ่มสงใดก็าตามหมู่คณะถ้าว่าเมื่อมีโอกาส เพราะมันไปชุมกันแต่ทางนี้ทั้งนั้นที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่พวกเราทะเลาะวิวาทกันไม่ใช่อถึงยังไงพวกเราก็มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันอยู่ในขณะนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าว่าเรายิ่งรู้เข้าใจในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็ยิ่งวางตัวให้ถูกต้องเพราะหนักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เป็นหลักธรรมเป็นหลักเหตุผลเราควรจะวางตนยังไงจึงจะให้เป็นธรรมที่สุดถูกต้องที่สุดเมื่อเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาเราได้ฟังแล้วก็นำมาประพุทธปฏิบัตินั่นแหละอันนี้แหละคือถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราก็ได้สังเกตุ อ, อีกต่างหากว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมถ้ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้น เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเราอยู่ในกลุ่มใดก็ตามถ้ามันมีเรื่องเกิดขึ้นเออเราได้ฟังเราได้ศึกษาที่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าอปริหารนี้จะทำน่าจะนำมาใช้ในกลุ่มนี้ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ได้แล้วเพราะว่าความคิดเห็นมันไม่ไปแนวแถวเดียวกันเน้ถ้าว่าเราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้มาเราก็จะได้นา ทำทำคาสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในกลุ่มของเราอันนี้แหละถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้ต่อเป็นลักษณะอย่งางนั้นตอนนี้ในหลักของพุทธศาสนาจะบอกค า, วาราวะสิ่งที่ควรคารวะคารวะหกคารวะในพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกศิษย์เราศึกษาเราบวชเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อบูชา มอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองจากนั้นท่านก็เดินนำพระธรรมคำสอนมาประกาศเผยแพ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพระสงฆ์สาวกนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาออกมาบอกกล่าวเคารพคารวะในคารวะตา ในปฏิสันฐานในการศึกษาในการไม่ประมาทแล้วก็ในการปฏิสันฐานอันนี้แหละคือคารวะหกในการศึกษาคือเข้ามาแล้วเราต้องศึกษาอย่างที่ผมได้พูดเนี่ยเราต้องศึกษาศึกษาในหลักธรรมคำสอนศึกษาในกฎระเบียบศึกษาในแต่ละวัด ศึกษากับหมู่กับเพื่อนศึกษาในการเป็นอยู่ศึกษาในกิจวัตรข้อวัดและจุดประสงค์ของการบวชของเราเคือจุดประสงค์อะไรที่เป็นจุดประสงค์ใหญ่ของเราสิ่งเหล่านี้เราต้องวิเคราะห์เราต้องศึกษาเหมือนกันและศึกษาจนที่ว่าพระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์อะไรที่เราเข้ามาบวชจุดสูงสุดของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ มุ่งหวังของพระพุทธเจ้าที่ให้พวกพระสา ว, วกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเพื่อจุดสูงสุดก็คือพระนิพพานออันนี้แหละคืออันนี้เราก็ต้องศึกษาครบรในการศึกษาคารวะในการศึกษาคารวะในความไม่ประมาทไปอยู่นาสถานที่ใดอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่ตาย ให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพร้อมศึกษาจะไปที่ไหนไหนหยุดที่ใดก็ให้มองตนเองมองหมู่มองเพื่อนมองครูบาอาจารย์มองถึงพิษภัยที่จะนำที่จะมาสู่ตนเองคือชลาพยาธิมรณะอันนั้นคือภัยอันยิ่งใหญ่ ไห้เรามองเอาไว้อันนั่นแหละคือว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและก็ตั้งอยู่ในปฏิสันฐานก็คือเมื่อเราอยู่ก็ต้องมีคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องมีครูบาอาจารย์พระเทระมหาเทระเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะติดปฏิสันฐานคารวาตาเคารพท่านด้วยวิธีการอย่างไร และกาน า, า, าตทายาิโจมที่มาเกี่ยวข้องเราควรจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรแต่ไม่ใช่ว่าเราประจบสอบพลอเลียแข่งเลียขาเขาอันนั้นไม่ถูกเราอยู่อย่างพระมีศักดิ์ศรีอย่างพระปฏิสันฐานอย่างพระให้เกียรติอย่างพระพระคืออะไร เราต้องดูหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ท่านวางาไว้มีมากมายในการต้อนรับขับสู้ปฏิสันฐานอย่างพระเข้ามาพระเข้ามามิพระที่มีอายุพรรษาเข้ามาท่านให้ทอยังไงไปรับบาตรรับจีวรรับย่ามของท่านจากนั้นก่อนหาน้ำล้างเท้าให้ท่านแล้วก่อนหาน้ำดื่มน้ำอาสนะให้ท่านอย่างนี้เป็นต้น ถ้าพวกเราในดูในพระวินัยจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากจะไม่ให้เหมินเฉยเวลาเห็นพระเข้ามาเกี่ยวข้องคณะสัทธายาิโรงเข้ า, ญญามาเกี่ยวข้องก็เหมือนกันเราก็ต้องถามถ่ายไปยังไงมาอย่างไงอมีอะไรเราก็ต้องเท่าถามขอพอที่จะช่วยเหลือเขาได้พราะเขามาวัดเราถือว่าเป็นเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นวงศาคณะญาติของเราอันนี้ก็คือ เคารพในปฏิสันฐานปฏิสันฐานคารวตาหรว่าคารว ะ, รวาารวะคือเคารพนี่แหละเพื่อละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรานำมาวิเคราะห์เป็นห ข, ข, ข้อแล้วล้วนแล้วจะเป็นธรรมเป็นมีหลักเหตุผลอย่างสารานิยธรรมก็เหมือนกันสารานิยธรรมทำเป็นเป็นเป็นไปเพื่อความสุข ความผาสุก ข, ของหมู่คณะเพราะพระเจ้าท่านก็ตั้งขึ้นมาว่าเข้าไปตั้งกายะกรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามนเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังเช่นพยาบาลภิกษุไข้เป็นต้นด้วยจิตเมตตานะเข้าไปตั้งวิจีกรมประกอบประกอบด้วยเมตตาคือเขาไปว่ากล่าวตักเตือนแนะนําสั่งสอนที่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจ ด้วยจิตเมตตาคือเมตตาเนี่ยเป็นหลักเลยว่างั้นเถอะคือให้มีมเมตตาในจิตใจจะไม่จะมีความอิจฉาพยาบาทถึงเข้าไปกา ย, ยกรรมก็ตามจะไปอิจฉาอจะไปโมโหโทโสุดเข้าไปถีบซ้ายถีบขวาเนะี่ยเออจะไม่พูดนะแต่เข้าไปออด่านหุ้นด่านนีเออย่างเนี้เป็นตน้นอันนี้ขาดเมตตาแต่ว่าเมตตาคํานี้คือเข้าไปตั้งกา ย, ยกรรม วจีกรรมแล้วก็มโนกรรมอีกตั้งหากเอเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ใช่แต่รับต่อหน้าอย่างเดียวันะรับหลังด้วยอในเพื่อนภิกษุสามเณรมีอะไรอพร้อมที่จะช่วยเหลือเจือจานถึงขณะที่อยู่ต่อหน้าเราคิดไม่ได้เรารับมารับหลังอึ้งช่คิดได้น่าจะเอายานตัวนั้นไปให้เขานะ นอย่างนี้เป็นต้นเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขามีความจําเป็นขาดเหลือขาดตกอะไรในเพื่อนภิกษุสัมเนรด้วยกันนี่แหละคือตั้งมโนกรรมมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสัมมาเ น, น, น, น, แนรและก็แบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวฮอันนี้เมื่อได้บริในอของใช้ของฉันมา แล้วก็แบ่งเฉลีย่ยเท่าที่ที่มันมีมันเกิดขึ้นมาแล้วก็าขาดเหลือขาดตกอะไรภายใ น, นวัดถึงจะไม่มีในวัดแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเรามีอยู่อย่างปัดัยเรามีอยู่แต่มันไม่มีในนี้มันไม่มีมันหมดเฮ่อย่างเี่นน้าตาลมันหมดอย่างไรแต่พระเองก็ต้องในฉันเอายังไงนี่แหละอันนี้คือไทว่าแบ่งปันราบ ที่ได้มาโดยชอบทมให้ทั่วถึงในสิ่งที่จำเป็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้แล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอภิกษุสมัมมาในอื่นใคร้ายว่าไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจรักษาศีลให้บริสุทธิ์รักษาขนบธรรมเนียมรักษาก ฎ, กฎกติกาของวัด ให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมิใดๆอย่อยากออกนอกลูนอกทางนี่แหละอันที้คือการอยู่ร่วม ก, การอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะหาความเพราะวิวาสกันขึ้นมาได้อย่างไรแต่ถ้าว่าพวกเราคิดไปคนอาทิตย์คนละทางผมว่ามันคงจะมีความเห็นแตแกแยกกันได้ง่ายเหมือนกัน คนนั้นหลักทาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ต้วนแล้วจะเป็นธรรมที่ยึดเหนี่ยวของหมู่ของคณะของพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันเพื่อความผาสุกมีอะไรพูดกันมีอะไรแบ่งกันมีอะไรมีน้ำใจต่อกันเนี่ยถึงจะอยู่มากขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นสุข ผมว่าผู้ที่จะมันผู้ที่พระสงฆ์ที่จะทะเลาะวิวาทกันเนี่ยผมว่ามองบองดูแลเนี่ยคือไม่คิดไม่คิดว่าตัวเองจะตายพูดแบบแบบง่ายๆนะสรุปเลยตรงนั้นเถอะไม่คิดว่าตัวเองจะตายมันก็เลยมักใหญ่ไฟสูงคว้านั้นควานี่อยากจะให้ตัวเองเป็นบุคคลสำคัญแลวกำลังเกียรตีเดชสันนินชากาเลคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือ ไม่คิดว่าตัวเองจะตายถ้าคิดว่าตัวเองจะตายแล้วมันจะไม่คิดอย่างนั้นสิ่งไหนที่เป็นศีลเป็นธรรมสิ่งไหนที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดควรจะวางตนอย่างไรกับครูบาอาจารย์ควรจะวางตนอย่างไรกับหมู่พวกเพื่อนรู้จักที่สูงรู้จักที่ต่ำรู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักการวางตัว นี่แหละขอให้หมู่พวกเพื่อนศึกษาเอาไว้นให้ฟังเอาไว้ศึกษาเอาไว้่การเป็นอยู่ของพระถ้าพวกเราทําอย่างนี้อย่างนี้ได้แล้วนั่นแหะการอยู่ด้วยกันถึงจะมากน้อยขนาดไหนเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าพวกร้านพวกท่านทั้งหลายจะอยู่การกี่องค์กี่โฮปก็ร่มเย็นเป็นสุขถึงจะอยู่คนเดียวถ้าคิดอย่างนั้นก็เป็นสุขในใจเนี่ยกร่ำคือการกระทําของเรา เราทำดีแล้วเราจะไปตกชั่วได้อย่างไงถ้าเราทำชั่วแล้วจะไปดีได้อย่างไรเชื่อก ร, รมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำของเราเ น, น่ะถ้าเราทำไปแล้วใครจะเป็นคนรับไม่มีใครที่จะรับหรอกตัวเองนะ่ะเป็นคนรับทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วเพราะนั้นต้องเชื่อในกรรมในผลของกรรมในการกระทำของตนเองถ้าพวกเราเชื่อ กรรมแลผลของกรรมแล้วนั่นลหละอยู่ที่ไหนอย่างไรมีแต่ความผ้าสุขในจิตในใจเพราะนั้นอันนี้ถ้าพูดที่ผมพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้สรุปแล้วก็คือเรื่องสินเรื่องของสินรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินอันนี้ก็คือ เรื่องการสํารวมกายวาจารทั้งหมดที่พูดมาการวางตัวการคำพูดระว่าการกระทำทางกายออพอเพื่อก็ยังไอวสํารวมใจอีกต่างหากตั้งเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพิสูจรสัมมาเนมตั้งใจด้วยออกายวาจาแต่ทำมีใจออกซะกายวาจาจะพูดได้ยังไงก็ต้องใจนั่นหละเป็นหลัก แต่ทีงงไงเมื่อใจเป็นธรรมแล้วแสดงออกทางกายและทางวาจาก็เป็นธรรมไปด้วยถ้าใจของเราเป็นนักเลงหัวไม้เป็นผู้โมโหโกธาเต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจแล้วปล่อยออกหมัดไหนก็โดยมากพิจตเรื่องเห็นแก่ตัวเรื่องโลกหัวโมกณนะไม่เห็นแก่ใครๆทั้งหมด ถ้าว่าเราไม่ได้ฝึกสกัดความโชวออกจากใจแต่ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจเราได้เรียนรู้รายศึกษาเราได้จสตัดสกัดกิเลสส่วนหยาบออกจากกิจใจได้เรียนรู้รายศึกษาแล้วเราก็จะได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาแทน ถึงจะไม่ส ก, กัดบริสุทธิ์ร้อยเปอร์ซนก็เถอะแต่เราก็ยังยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้เพราะเรายึดพระพุทธพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งอยู่แล้วเพราะนั้นเรายึดทำคําสอนเข้ามาแทนที่ตัวที่จะมันเห็นแก่ตัวคนที่จะมันโมโหโกธานี่ยเอามายึดส ก, กัดจุดในจุดนั้นจากนั้นก็ได้เอาทำเหตุผลออกมา ประพฤติปฏิบัติความสงบพร่มเย็นเป็นสุข ก, ก็จะเกิดขึ้นแต่ถึงยังไงในใจของเราแล้วเราต้องพยายามสกัดสกัดกิเลส ต, ตัวนี้ออกจากใจให้ได้ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งฮะเราต้องคิดไว้อยู่ยางนั้นเสมออย่าไปนอนใจอย่าไปให้ความสนิทสนมกับอสรพิษคือกิเลสงูเห่าตัวนั้นล่ะโกรธหลวง วันไหนไม่นู่อวนนไหนไมันจะฉกเราแต่เราให้คิดเอาไว้อยู่เสมอว่าเราจะต้องส ก, กัดออกให้ได้สักวันหนึ่งไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งละเราต้องคิดไว้อยู่อย่างนั้นเสมอนี่แหละอันนี้ก็คือแนวความคิดเข้าสู่ทางด้านจิตใจแต่ได้มาพูดถึงเอเกี่ยวกับเรื่องภาวนาเรื่องจิตตภาวนาทีนี เรื่องแนวความคิดมันเรื่องปัญญาหรือแนวความคิดนี่มากหลากหลายถ้าเราจะนามามาพูดแล้วนามาพิจารณาเรื่องนามาเป็นแนวความคิดมากหลากหลายจริงๆไม่รู้จะนําตรงไหนเงื่อนไหนคำพูดไหนและปฏิบัติอย่างไรคิดอย่างไรในเรื่องนั้นๆในเรื่องที่เราบัน รุ่มหลงมัวเมากับเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยมันมีมันมีเยอะเหลือเกินแต่ว่าก่อนที่จะก่อนที่จะสกัดออกสิ่งเหล่านั้นออกได้เนี่ยเราไม่ใช่ไปจากขวาหน้าขวาหลังตะคุบนู่นตะคุปนี้อย่างนั้นมันก็คงจะตะคุปไม่ได้มันต้องเรียงลำดับไปอีกเหมือนกัน เหมือนกับเราตามรอยโคอย่างนั้นเออตามรอยโคเมื่อเห็นรอยโคนะ่ะเอออันนี้มันเรื่องของของ จ, จิตใจเออมันไปรักไปชอบไปโกรธไปโมโหโกธามันไปโกรธให้แก่ใครเอออย่างเนี้ยไอ้ถ้าว่าเราติดตามรอยโคเอออย่างนั้นเรากหนด กำหนดภาวนาพุทโธพุทโธเพื่อจะให้มันจิตเป็นหนึ่งเพื่อจะให้มันอยู่แต่มันไม่ใหม่มันก็ยากต้นเหตุไรเพราะเราไม่รู้จักมันไม่ร่วมมันไปไหนลักษณะเป็นกายยศิก็ไม่น่าจะผิดใจของเรานเป็นกายยศิก แต่ถ้าว่าควบคุมไม่ได้มันก็เป็นโทษมหาหันเหมือนกันปล่อยให้มันไปนะกิเลสราคาออกเต็มเป่าอย่างนี้ถึงโทษประหารได้ถ้าปล่อยให้มันเป็นความโกรธออกไปอย่างนี้มันก็ถึงโทษประหารได้เหมือนกันปล่อยความโลภออกไปไม่รู้จักเมืองพอโทษประหารได้อีก มันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันกิเลสตัวนี้เพราะนั้นเราจะทำยังไงเราจะชะสกัดมันอย่างไรมันจึงจะอยู่ในกรอบนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราแต่ไงเราจะต้องศึกษาจากนั้นเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติกาหนดดูใจของเรามันออกไปทางโลภทางโกรธทางหลงทางราคะโทสะโมหะเนี่ย มันออกไปได้ด้ววิธีอย่างไรนี่แหละอันนี้พวกเรามันมีมากมายหลากหลายแต่ตามไม่จริงทิฏฐิตัวเนี้ยไม่ใช่ธรรมดาพูดอย่างกันได้ให้พวกเราเข้าใจว่าทิฏฐิตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดากิเลสตัวเนี้ยกิเลสถือตัวตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดากิเลสตัวพยองพองตัวกิเลสถือตัวตัวนี้ ยกตัวคมคนอื่นคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาให้พวกเราคิดไว้อย่างนั้นแต่ว่าถึงยังไงเราก็กเถอะให้เราคิดเอาไว้ว่าเมื่อเราได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ธรรมดาคำนี้แหละให้อยู่ในใจของเราไว้อยู่เสมอว่ากิเลสในใจของเราเนี่ยมันน่ากลัวไม่ใช่ธรรมด า, อ, าอย่างที่พปกยกตัวอย่างให้พวกเราได้พอเป็นแนวทาง พอพวกเราคงจะไม่ได้ศึกษามีเวลาจะได้ศึกษาเรียนรู้ทุกอย่า ง, งคงจะเป็นไม่ได้ที่ผมได้ศึกษาได้เรียนรู้มาอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราเมื่อท่านโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้สาเร็จเป็นมรรคสาเร็จผลแล้วจากนั้นท่านก็ไปโปรดพวกสหายพยศะก็ได้สาเร็จมรรคผลจากนั้นท่านก็ถ้าเราจะเข้ากรุงราชสกุ์เนี่ย ถ้าจะเข้าเราจะเข้าไปเลยเนี่ยพวกคนกรุงราชจะคืนเนี่ยเขานับถือฉดินฉดินสามพี่น้องอุรุเวลานาทีขยากรสปะบริวารพันกับสามสามคนถ้าเราจะเข้าไปสอนทำแล้วก็แนวความคิดให้กลุงพี่น้องชาวกรุงราชจะคืนเนี่ยเขาก็คงจะคิดว่าเนี่ย สมณะโคโดมเพิ่งมาใหม่เรียนรู้ใหม่ศึกษาใหม่แต่ว่าอุรุเวลาอทีขยากัสปาเป็นฉดินเป็นนักบวชเป็นพื้นฐานเป็นที่ครบสักการะของกรุงราชคฤห์มาตั้งแต่ยาวนานแต่สมณะโคโดมจะขึ้นมาอย่างไรยังไงจะเจริญขนาดไหนก็เถอะมันก็ยังสู้ฉดินของพวกเราไม่ได้ เพราะพวกเราเรานับถือเรื่อมใสาชดินเป็นผู้มีอิทธิฤทธิเป็นผู้อะไรยอมรับกลุงราชคฤตทั้งหมดชดินรู้เวลานาทีก็จะป่ยพันกับสามคนแต่นี้พวกพุทธองค์ท่านกมองดูแล้วท่านรู้อดีตอนาคตหมดทุกอย่างจะเข้าไปที่ไหนจะทำอย่างไร ไม่ใช่ว่าจะทําแบบไม่ได้คิดแต่อ่านแล้วก็ทําไปอย่างนั้นไม่ใช่พระองค์วางแผนเป็นนักวางแผนอย่างอย่างมากอย่างทีถ่วนที่สุดถ้านอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าพุท ธ, ธะทำไมขนาดนั้นะจะไม่จัดว่าเป็นพุท ธ, ธะแต่ที่พระองค์ก็เราต้องไปทําความเข้าใจกับชนินก่อนชนินก็คือเขาต่างสํานักกัน เหมือนกับแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างนั้นอ่ะแม่น้ำเจ้าพระยากับพวกหนึ่งก็อยู่เหนือกว่าแถวนครสวรรคนะ์ต่อมา ก, กันพวกหนึ่งก็อยู่ทางบนกว่านั้นอีกต่อมา ก, กันอยุธยาอย่างนี้นะแต่ก็อยู่ใกล้ใกล้กันก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่แต่อยู่คนพี่ชายอยู่เหนือน้ำคน น, นะงงคนน้องเน่ะอยู่รองลงไปคนน้องแรกก็อยู่ล่าไอ ขยับลงไปอีกแต่อยู่ในในสายแม่น้ำอันเดียวกันแม่น้ำเนรัญชราผู้พี่ชายก็มีบริวารห้าร้อยห้าร้อยหนึ่งคนพอน้องชายสามร้อยหนึ่งคนน้องชายเล็กสองร้อยหนึ่งคนเขาว่าหนึ่งคนก็คือทั้งตัวตัวของท่านเองตัวที่เป็นหัวหน้าเอง ห้าร้อยหนึ่งคนสามร้อยหนึ่งคนสองร้อยหนึ่งคนสรุปแล้วก็คือหนึ่งพันสามคนชัดินนั้นแต่รี่พรองค์ก็ไปโปรดชัดินผู้เป็นพี่ใหญ่ที่ห้าร้อยกันหนึ่งคนอะจะต้องไปทำความเข้าใจก่อนเพื่อจะเข้าไปโปรดพี่น้องกุงราชคือนี่แหละพระพุทธองค์ได้ไปแสดงอิทธิฤทธิโปรดอิทธิฤทธิกับชัดินเนี่ย ฟังฟังโดยได้ทั้งสามพันแลพันสามร้อยกว่าอย่างพันสามร้อยกว่าท่าเลยแสดงขนาดไหนโยขนาดนัดอะไรั่นแหะพันสามร้อย 1, กว่าท่าไอติลิศอันดับแรกก็คือเข้าไปไปเข้าหาอุลุเวลากจัจจปะที่เป็นเป็นหัวหน้าหัวหน้าวัดหัวหน้าคณะหัวหน้าสำนักว่าท่านอุรุให้เราขอพักด้วยได้ไหม โอยสัมมณะไม่มีที่พักอา้าวเราก็เป็นสัมมณนะท่านก็เป็นสัมมณนะจะไม่ให้มีที่พักด้วยเหรอสัมมณนะต่อสัมมณะไม่รับกันจะเป็นยังไงเออตามให่จริงที่มันก็เต็มนะไอ้เอึ่งปฏิเสธว่าสัมมณนะไม่รับสัมมณนะมันก็ไม่น่าถูกเหมือนกันเอา้าแต่ว่าที่มันเต็มแต่ท่านจะทํำยังไงแต่ว่าที่ตรงนั้นอ่ะอที่ตรงนั้นเน่ะเป็นที่พญานาคนะดุนะนาคดุนะมันอยู่ตรงนั้น คือนักมันอยู่ที่กองทรายใหญ่กองทรายใหญ่ถ้าว่าใครเกิดกิเลสราคะก็ดีโทสะก็ดี อ, อใครๆว่าใครขอโมโหโทโสให้แก่หมู่แกเพื่อ น, น, นเหมือนกันเถออาจารย์ก็นแนะนําว่านะ่ะให้ไปตักเอาขี้เอากระป๋องไนะปตักทรายขึ้นไปเทเออเอาจนหายกโกรธอันนี้คือวิธีการสอนเหมือนกันสอนลูกศิษย์ แตนี่พอใครโกรธให้แกกันกันนะไปตักขี้ทรายตักมันหลายครั้งต่อหลายโหนมันก็นเหนื่อยมันก็นกนหายโกรธไปเองเลใช่ไหมเออผมมันเหนื่อยเลยเอออาจารย์ก็สอนถูกผมว่านะเอตักขี้ทรายขึ้นไปเทตักขี้ทรายขึ้นไปเทสามสี่ห้าเที่ยวขี้ทรายจักแม่น้ําขึ้นไปทรายก่อนนั้นก็ใหญ่เลไอ้ใครเกิดลาค้าขึ้นมากันนะไปตักขี้ทรายขึ้นมากองไอ้เกิดโทรสาขึ้นมาเอาตักขี้ทรายขึ้นมากอง อคือสีทั้งห้าร้อยเนี่ยกองขี่สายกองใหญ่บ่เลยทีนี้พญานาคเข้ามายึด่มายึดในกองสายนั่นเท่นี้เป็นที่บูชาไฟอีกต่างหากไฟก็ไม่เคยดับที่ตัางหักเนี่ยบูชาไฟะจุดไฟเวทตลอดเลยเหม่างนั้นแต่บูชาไฟไป ต, ตักขี่สายขึ้นมากองไว้แล้วก็เป็นที่เนินสูงเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่า อัจจปะเราจะไปจะพักที่ไหนถ้าท่านจะพักก็ไปพักที่เรือนไฟนั้นได้แต่ท่านมีพญานาคนะอความรับทาว่าท่านจะสู้ท่านแต่ท่านจะไปพักก็ได้แต่ว่าผมไม่รับรองนะลักษณะอย่างนั้น น, ะนาคบรรดูนะถ้าท่านจะไปพักก็พักได้ตรงนั้นออถ้าท่านจะพักตรงไหนขาดเราก็จะไปพักตรงนั้นแหละแต่ในพโพระองค์ก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปพญานาคนาคก็นน้เห็น พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะเออเดินเข้ามาควันออกหูเลยมันโกรธขึ้นมาเลยเอา้าสมณะจะมาแย่งที่พักของเราในว่าเออเราจะไม่ให้พักหนาวเลย น, ะนาคพอเดินเข้าไปหน่อยเดียวเท่ั้มมันก็คข้าแสดงฤทธิ์ของนาคออกมาเลยเป็นควัเป็นวันพุ่งออกมาอย่างแรงพอควันพุ่งออกมาพทธองค์ก็พุ่ง เอี่เก่งกว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์มากกว่านาคไปแล้วเนี่ยภาษาอะไรนาคใช่ไหมให้กับพงอย่างนั้นน่ะให้กับพุ่งควันออกไปไปก็ไปกบนาคยังไปแล้วยังพุ่งไฟเข้าไปอีกเผานาคอีกทีนี่ผลที่สุดนาคหมดฤทธิ์เมื่อไงแต่เอาอยัางไงสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ผลที่สุดพระพุทธเจ้าเลยจับนาคสะนะมากดไว้ในบาดเออ เอาเอาเอาไซน์เนี่ยเอาดไว้ในบาทนาคตอนนันก็อยู่ในบาทแล้วนั่นแต่จากนั้นพวกฤาสีทั้งหลายออกมาดูกันโอ้โหเต็มไปหมดเลยทีนี้ขาวนี่แหละส ม, มณะลูกงามเลยคงนาคคงจะค่าแน่แ น, น่เพราะมันควันตลบมันไม่เห็นอะไรเลยมืดตลบไปหมดเลยพอในสุดพอสางซาตอนเช้ามาพระพุทธองค์ก็ออกมาบอกว่านะกัจจปะ เนี่ยที่นากตัว น, นี้ลหละที่มันหวนควันใส่เราเราปราบมันอยู่นเห็นไหมอยู่ในบาทนี่เห็นไหมนี่แหละอันนี้ก็คือมหาอุลุเวลาคะปะโถสมมณะคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาเออเอาชนะนากได้เราก็คิดว่าจะยอมแพ้เอาถ้าถึงท่านจะเก่งขนาดไหน ก็ยังไม่เป็นพระอรหันเหมือนเรานั่นอันที่น่ะผมว่านะนะเอออัน น, ะนี้ตัวนี้เรางั้นแต่ตัวที่ว่าเรานี่เรางั้นแต่เออพระอรหันเหมือนเราเอ่อจากนั้นก็ท่านสรรมนะเออท่าน อ, อยู่ที่นี่แหละนะเดี๋ยวผมจะอบินอาหารออกมาถวายท่านเออท่านถึงจะไปบินถบาย ท, ที่ไหนก็นไปแต่ว่าอาหารพวกเราจะดูแลท่าน อาหารของเรามีสมนะท่านอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนพระพรองค์ก็รับทราบเพราะว่าจะโปรดสดินอยู่แล้วไปบินเทบาร ท, ที่ไหนสแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรออกมาก็สมณะเก่งแต่ไม่ไม่เป็นพระหารเหมือนเราแต่วันหนึ่งวันให้เป็นวันคนทั้งเมือง จะมาสักกราระท่านคือก็คงจะเป็นวันวันพระหรือวันอะไรยักษลักษณะอย่างนั้น่ะคนทั้งหลายจะมาเอส ม, มณะอยู่ที่นี่ถ้าว่าส ม, มณะองค์เนี้ยแสดงอิทธิฤทธิให้คนคนเขาเห็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะมาเริ่มใสนับถือสมมณะองค์นี้เราก็คงจะร้อยหนล่นบริวารก็คงจะกลูเข้าไปรับนับถือเริ่มใสสมมณะองค์นี้ตามไม่จริงส ม, มณะองค์นี้ ไม่น่าจะอยู่ไนดะ้วันนี้เพราพระพองค์รู้วาระจิจของรูเวลากระตัะท่านก็ไปบินทบ่า ท, ที่อื่นหายเงียบไปไม่ฉันม้านหายเงียบไปรูปเวลาก็ไปหาก็ไม่เจอพอวันรุ่งขึ้นต่อใหมอ่อรูเวลาก็เข้าไปเอาท่านธรระเมื่อวานท่านไปไหนอาหารเราก็เตรียมไว้ถวายท่านอยู่แต่ไม่เห็นท่านท่านไปที่ไหน พระพุทธองค์บอกว่าอุลุเวลาเธอคิดอะไรเมื่อวานเนี่ยเธอคิดอะไรเมื่อวานให้ทวนความคิดของเธอสิเนี่ยที่เราไม่อยู่อุลุเวลาขู่ขนาดเราคิดยังรู้ได้สัมมาณะนี้ไม่ใช่ธรรมดาแต่ทิศยังไงก็ยังไม่เป็นพระอรหันเหมือนเราฮะคาว่าเรื่องอะไรก็ตามเลยยังไม่ใช่พระอรหันเหมือนเราอ พระพุทองค์แสดงอิทธิฤทธิ์อยู่ถึงพันพันกว่าครั้งโปรด ป, รปรวดชดินตัวผู้พี่เนี่ยผลที่สุดก็มากเข้ามาเข้าคือความเชื่อถือหรือว่าทุกทิ่งทุกอย่างแต่ในใจนี่ยอมรับแต่ว่าทิธิมานะตัวนี้คิดที่ว่าไม่ไม่เหมือนเราเนี่ย เออคำว่าเราคำนี้มันมันเหลือเหลือคลันขนานาเลยเหงือนกันเถมันยิ่งกว่าอะไรแต่ในพระองค์ผมมองดูแล้วแปลว่าทุกรูปแบบและแปลว่าเอาชนะุ乌鲁เวลาได้แล้วท่านเองนีเป็นที่ยอมรับพระองค์บอุ乌鲁เวลาเธอคิดอย่างไรเธอคิดว่าเธอเป็นพระรหารอย่างนั้นใช่ไหม มันไม่ใช่นะกัจจปะแต่หนทางไปสู่พระหรันพวกเธอก็ยังไม่รู้จะเป็นพระหรหันได้อย่างไรเพราะนั้นเธอต้องเรียนรู้จึงจะถึงพระหันได้เธอต้องการเรียนไหมต้องการศึกษาไหมท่านนี้ก็ยอมนะสิเพราะว่ารู้หมดทุกอย่างแล้วที่พระพุทธองค์ได้แสดงให้ฟังเจากนั้นก็ขับผมผมยินดีรับฟังพระพุทธองค์ก็ ได้โปรดเรื่องนีแหละอะเลตะปริยายสูตรโปรดขดินสามพี่น้องอะเลสตะปริยายสูต ร, ร, ยาย ต, รตาไปเห็นลูกเกิดราคะโทสะเกิดโมหะเกิดเป็นไฟร้อนด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะหูได้ยินเสียง เกิดกิเลสราคะโทสะโมหะหูเป็นไฟจมูกเป็นไฟลิ้นเป็นไฟอกายเป็นไฟใจเป็นไฟเพราะพระองค์พูดเป็นไฟหมดเพราะว่าพวกฉดินทั้งสามอตทั้งกลุ่มเนี้เขาบูชาไฟเนี่ยเขาว่าไฟเป็นใหญ่ไฟเป็นหลักแต่ในพวกทายเจ้าไม่ได้ไม่ให้ความสําคัญไฟไฟนั้นจะมีอะไรมันก่อไฟขึ้นมันก็เป็นไฟแต่กิเลส ราคะโทสะโมหะออกไปจากใจออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตัวนี้สำคัญกว่าเนี่ยชรินผู้พี่ได้ฟังจากนั้นก็ลอยบริขารบวดในศาสนาของพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์บอกเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเปล่ากล่าวดีแล้วทำเราบัญญัติไว้ดีแล้ว ท่านจงประพฤติผมมาจันเพียงแค่นั้นบริขารลอยบาท่านก็บวชท่านก็ลอยไปบริขารพวกน้องชายคนที่สองเห็นบริขารลอยขึ้นไปอทั้งผมทั้งหนวดทั้งเขาโป่งออกไปหมดนะขึ้นตามขึ้นมาอีกถามพี่พี่ท่านมั่นใจไหมสมณะเนี่ยพี่บอกมั่นใจเอมั่นใจผมสมณะท่านเป็นพระหรหันต์แน่น้องชายก็พอว่าพี่มั่นใจกับ ขอบวชอี ก, กอพุทธองค์เอหิภิกขุอุปสมบทายอีกบริขารชุดแรกไหลลงไปหาน้องชายน้องชายแ้กเห็นบริขารพี่ตามขึ้นมาอีกว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นถามพี่ว่ามั่นใจไหมพี่ทำไมจึงบวชมั่นใจเอามั่นใจขอบวชอีกทั้งร้อยสามคนทั้งพันสามคนบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้า จากนั้นพระองค์ก็ได้เทศนิยติปริยายสูตรเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นไฟเกิดเพราะราคะโทสะโมหะมันลุ่มหลงจากนั้นพระองค์ให้ปล่อยให้วางไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาจากนั้นปัญจวชดินทั้งสามพี่น้องท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นพระรหัารด้วยการทั้งหมดพันกับสามรูปจากนั้นพระองค์เห็นว่า ฉดินเป็นบริวารของพระองค์แล้วท่านใยอมรับล่ะพระองค์จึงเรียยาตราทัพธรรมเข้าไปสู่กรุงรัฐกรุงราชคือนะแหมพอเขาไปกรุงราชคือท่านนั้นอ่ะคุกคนกรุงราชคือก็งงแตกเหมือนกันท่านใเห็นฉดินก็จําได้แต่ไม่ใช่ยูนิฟอร์มเก่าไปยูนิฟอร์มใหม่เหงือนกันนะโป่งผมควนโกนหนวดห่ผมผ้ากาสายะกาสาวพัสดิ์แต่ จำแม่นมาเป็นชดินทั้งสามพี่น้องแล้วก็ชดินหนุ่มทั้งหลายก็ล้วนแล้วแต่เป็นบริวารท่านนี้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงไม่รู้จะกราบใครไม่รู้จะกราบเอพระพุทธเจ้าสักโคตมะพุทธเจ้าพุทธโคลมโคตมะหรือจะกราบเออ รู้เวลานาะทีกสปะสามพี่น้องที่เป็นฉดินเพราะเป็นที่เคารพรักของเขามาตั้งแต่ดึกตำบันตั้งแต่ไหนแต่ไรพระพุทธองค์ก็เห็นความลังเลของญาติโยมพี่น้องประชาชนกรุงราชคือพระองค์บอกว่ากัจปะญาติโยมทั้งหลายบริวารของท่านสงสัยว่าเรากับท่านใครเป็นอาจารย์กันแน่เพราะนัา น, นเธอต้องทาให้เหาให ให้เขาหายสงสัยกักจนะักระจากนั้นฟ ร, รุ้เวลากักระท่านก่อนครับผมจากนั้นท่านก็เขามากราบพระพุทธเจ้าพอกราบเสร็จแล้วท่านก็เหาะแสดงอิสติลิสเลยว่งั้นเถิขึ้นบนอากาศแล้วก็ลงมากราบพระพุทธเจ้าสามครั้งแล้วก็ประกาศเลยบอกว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าเป็น พระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระ อ, องค์เองเป็นสยามภูรู้แจงโลกข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าขอประกาศให้พวกเราท่านทั้งหลายอจงฟังข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วต่อ น, นี้ไปพวกท่านทั้งหลายจงฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเป็นสวากาตธรรมเป็นธรรมเป็นหลักเหตุผลที่ถูกต้องเป็นธรรมเพราะฉนั้นพวกให้พวกท่านทั้งหลายต้องจงตรง ตั้งใจฟังพวกท่านจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลในการฟังในครั้งนี้ท่านพอประกาศท่านคนทั้งหลายก็สยบหมดเลยทนีนี้พระพุทธองค์ก็แสดงธรรมเอ่แสดงธรรมของพระพุทธเจ้านี่ยถึงจะใครจะไปนั่งอยู่นัสถานที่ใดห่หางไกลขนาดไหนถ้าพระพุทธองค์บอกเสียงของเราให้ได้ยินทุกคนถึงจะไปนั่งอยู่ในที่อับที่มืดขนาดไหนก็ได้ยินหมดทุกคนอันนี้คือพระพุทธองค์ ท่านได้บำเพ็ญบา ร, รมีมาแล้วเพื่อให้ได้ยินเสียงของท่านทุกคนการทเพื่อท่านอยากจะให้ได้ยินแล้วเนี่ยคนในกรุงราชจะคืในคราวนั้นทําไม่มีเสื่องขยายเสียงจะได้ยินได้ยังไงเนาะคนต้งเป็นล้านกว่าเนีจากนั้นพอ ฟ, ฟังจบลงไปแล้วกว่า พ, พระพุทธองค์ได้ปโปรดตัวเทศสนาที่ขนได้สําเร็จมรรคผลมากที่สุดในครั้งนั้นเป็นครั้งแรก มากที่สุดในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่คนได้สำเร็จมากสั่งเลยหุ่นคืว่าสิบเอ็ดนหุ่นเนี่ยหุ่นหนึ่งก็คงจะแปลไว้อยู่แต่ผมก็จําไม่ได้ว่านหุ่นหนึ่งมาเท่าไหร่มันคงจะเป็นเออเป็ น, เ ป, นเป็นแสนหรือเป็นล้านเนี่ยได้สาเร็จพักสําเร็จมรรคสาเร็จผลก็มีเป็นพระอรหรันตะ์ก็มีพระสักนาเอออนาคาบีก็มีพระสะกทาคาก็มีพระสูดาบันก็มี อถึงพระไตรสารณะลุ่มยึดพระพุทธเจ้าพระธมพระรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งก็มีโดยมากเนี่ยนะท่านนับตั้งแต่ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งเนี่ยนะนับอกคุลมี้แต่กลุ่มที่ไม่นับถือไม่เลื่อมใสก็มีอีกเหมือนกันนะนี่แหละอันนี้คือการโปรดปัญจวกโปรดรู้เวลาหน้าทีกัจจ ป, ปะอะแต่จากนั้นพระองค์ก็ได้ตั้ง พรากัจจปะที่เป็นผู้พี่เนี่ยในเอทตะค่าว่าเป็นผู้มีบริวารมากในศาสนาของเราตถาคตนะเนี่ยคือได้รับเอทตะค่าเลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้มีบริวารมากแต่มาพูดถึงว่าเรื่อ ง, งทิฏฐิอย่างที่ผมพูดในเบื้องต้นว่าเรื่องความเห็นเรื่องทิฏฐิมานะเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาคำว่าที่ผมว่าไม่ใช่ธรรมดานะ ขณะพระองค์แสดงอิจิลิทมากมายหลายอย่างอสมณะที่ท่านแสดงฤทธิ์ได้โอ้เก่งแต่ไม่เป็นพระหารเหมือนเราะคำนีนะ้คำว่าเราคำนี้นะท่านจะเก่งขนาดไหนก็แต่ท่านไม่เป็นพระหารเหมือนเรา น, นี่แหละอันนี้คืออุทุเวลากัจจ ป, ปะที่ท่านดูแลพระพุทธเจ้าอยู่นมนานที่ท่านได้ ก่อนที่พระเเจ้าจะประกาศเปียงออกไปเลยท่านจะเป็นพระทหารได้ยังไงแต่หนทางที่จะไปสู่พระทหารท่านก็ยังไม่รู้ท่านจะเป็นพระทหารได้ยังไงมีแต่ทิฏฐิอำนาจของท่านเท่านั้นเองนะ乌鲁เวลากรจั ป, ปะพอพูดเท่านั้นเด็กชายงงแตกเลยถ้อยถูกต้องจากนั้นปวงก็ได้แสดงทำให้ฟังหนทางที่จะไปสู่พระทหารคืออะไร คือตาหูจมูกลิ้นกายใจวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาวางที่ใจท่านลุกลุ่มพ้นเป็นพระอรหันในการฝังพระธรรมเทศนาอทิตตะปริยายสูตรนี่แหละอันนี้ก็คือทมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากลากหลายหลายมุมที่ท่าน นำมาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่สาธุรสิทธิ์ของพระองค์ฟังเพราะนั้นทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรานำํำทำมาออกมาปฏิบัติมาศึกษาแล้วมีมากมายแต่ว่าถึงยังไงก็เถิดอย่างที่ผมว่านะการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ริเริ่มตั้งแต่บริกรรมตั้งแต่กำหนด ล, ลมหายใจเข้าออกตั้งแต่มองจิตมองใจ ล้นแล้วจะเป็นการเดินตามรอยโคฮอโคมันไปที่ไหนอสมมติว่าเราคิดไปที่ไหนคิดไปทางราคะมันทําไมไปตามไปดูราคอคิดไปเอามันไปทางโโทุษะโมโหโทุโโทะอะตามไปเพราะสติของเรามันยังอ่อนตามไปตามไปตามไปตามใกล้เข่าใกล้เข่าใกล้เข่ า, าพอที่สดุดไปเห็นตัวโคตัวโคก็คือตัวใจท่านเอาสติ มหาสติมหาปัญญาจาะเข้าไปตัวใจเลยทีนี้ดูที่ใจเลยทีนี้มันออกไปหาเที่ยวแพ่นผ่านทั้งหลายทั้งป่วนออกไปจากที่นี้ออกไปจากใจออกไปรักไปโรบไปโกรธไปหลงไปอะไรต่อไม่อะไรออกไปจากใจทั้งหมดนี่แหละมาพอเอาสติจับเข้าไปจาะเข้าไปดูเข้ า, ขาไปสติมหาสติมหาสติมหาปัญญาอย่างที่ว่าคือมันไม่เผลอ เป็นปจิติปัญญาอัตโนมัติอดูเข้าไปจุดนี้อท่านก็บอกว่าที่จะทําลายจุดนี้ไหนสติกับปัญญาอันไหนอที่จะทําลายก็าอาศัยขาอผู้ไม่ต้องศึกษากับเสขะเสขาไอเสขาไอาเสขาไปผู้ไม่ต้องศึกษากับเสขา เป็นผู้ศึกษาอยู่นะอสติกับปัญญาตัวนี้ตัวไหนเป็นผู้ตัดกิเลสตัวไหนก่อนกันตัวไหนหลังออที่ท่านถามที่แรกว่าฌานกับสมาธิอันไหนเกิดก่อนกันอฌานกับสมาธิท่านก็ตอบว่าสมาธิเกิดก่อนฌานเกิดทีหลัง ฌานเป็นผลพลอยได้จากสมาธิถ้าจิตใจไม่เป็นสมาธิจะเกิดฌานไม่ได้แต่ที่พอมาถึงจุดที่จะตัดกิเลส จ, จริงๆทีนี้ถามว่าสมาธิกับปัญญาเนี่ยตัวไหนเป็นตัวตัดท่านก็ตอบว่าพร้อมกันไม่มีตัวไหนหลังไม่มีตัวไหนก่อนสติมหาสติมหาปัญญาในจุดนั้นมหาสติกับมหาปัญญา มันพร้อมกันพลับมันดับตัดกิเลสราคะโทสะโมหะกระเด็นออกจากจิตใจพร้อมกันไม่มีอันไหนก่อนอันไหนหลักที่เป็นเสกข า, าเสียขาเนี่ยเออที่มันโลกกับสุญญากาศี่ที่มันจะกระเด็นออกจากกันที่ยาแนอากาศที่มันจะหลุดออกไปจากโลกดึงดูดเนะี่ยจุดนั้นน่ะ เพราะนั้นขอให้พวกเราฝึกเอาไว้เรื่องสมาธิมันอ่อนเช่นก่อนมันจะค่อยแก่สมาธิปัญญาของเหมือนกันมันอ่อนเช่นก่อนมันค่อยแก่เช่ก่อนมันเกิดยังไงร่มรกคุกคานเพื่อเผล อ, อ, อ, อลืมๆมลืมลืมลงห ล, ลงไปแต่เรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในที่เราจะกําจัดกิเลสออกจา ก, กจิตจากใจของเราได้อยู่จา ก, กจิตใจของเราเน่ยมันก็ไม่เหลือวิสัย สรุปแรกก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประพฤติปฏิบัติมานะเหมือนเราตามรอยตามรอยเท้าของโคนะตามไปตามมาตามไปตามมาบางทีมันก็ตามรอยเท้าของโคอยู่ในคอกต่างหากมันบกบุญเวียนบางัันแหอะแต่บางทีมันก็ออกไปหากินหลอบนอกเราก็ต้องตามตามไปอยู่งันนะแต่พอเห็นโคแล้วเราไม่ต้องไม่ต้อง พอเห็นโครเราไม่ต้องตามรอยมาานันเลยเพราะรอยกับโคมันอยู่ในตัวอันเดียวกันอเราก็เข้า mm. <ๆ>ไปจับตัวโคเลยแะ่ไหตัวผู้รู้ตัวใจเลยตัวนั้นแหละตัวการมาแต่ไหที่มันไปเหยียบย่ําทําลายไปเหยียบย่ําที่ไหนไหนมันออกจากเท้าของโคแต่นี้เราจับโคได้แล้วมันจะไปะเหยียบที่ไหนเราไม่ได้สนใจเรื่อง ร, รอยของมันแลน้วแต่อหนสนใจตัวของมันเลยนี่แหละให้ตัวสนใจเรื่องใจของเราเท่านั้นบาท เอให้พิจารณาเนะ่ยทุกสิ่งทุกอย่างอันในจังทุกขังอนัตตาธรรมะอนัตตาที่จะสังหารกิเลสภายในใจของเราไม่มีธรรมะตัวอื่นนะ่ะเ อ, อธรรมะอนัตตาคือปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจไม่มีอย่างอื่นนะและการพูดการแนะแนวในวันนี้ก็เห็นว่าสม่งผลกับการเวลาข อ, อยุติในการพูดอตอนนี้ไปนั่งสมาธิก่อนหะ้อยเลิกกัน